อ่าก็ได้เวลาเวลาที่เรามาพูดคุยกันนะจริงๆพวกเราที่เข้ามานะครับห้องขับเนี้ยโดยเฉพาะห้องที่ของพ่อคุยหลวงพ่อเน้นแต่เรื่องของความรู้สึกตัวนะเรื่องของความรู้สึกตัวแต่ว่าขณะที่เราอ่าเหมือนกับว่าฝึกสติหรือว่าฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยที่เป็นปัจจุบันเนี้ย นะมันก็ต้องอาศัยนี่แหละอาศัยกิริยาอาการของกายอาการของมันเป็นอ่ามันเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่กำลังปรากฏใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยเอาสิ่งที่กำลังปรากฏเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกเราจะพูดอะไรก็ตามนะร่างกายขยับขย่ขยเคลื่อนไหวอะไรก็ตามอันนั้ น, เ, นเป็นอิริยาบถแล้วความรู้สึก อารมณ์ทางจิตทางใจนมันก็เป็นอาการนะเอาสิ่งนี้แหละมาฝึกเราไม่ได้เอาสาระที่เป็นเรื่องราวอันนั้นแต่ต้องเอาเอามาพูดแต่สิ่งที่เน้นอ่ะคือเราต้องเน้นตรงนี้แต่นี้บางทีเราก็ไม่เราก็ไม่เข้าใจกันนะว่าเราคุยเรื่องอะไรหลวงก็เลยมาบอกกันอีกทีหนึ่งว่าเราเรามาฝึกสติพร้อมๆกับการพูดกันคุยเออแต่ถ้าเราลืมตัวไป ลืมตัวไปในระหว่างเราพูดเราคุยเนี่ยอันเนี้ยมันมันไม่เป็นวัดมันมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะเป้าหมายที่ที่เราต้องการสื่อสารหรือว่าต้องการเปิดคาเพ้าขึ้นมาอย่างเนี้ยเราลองสังเกตนะสังเกตอย่างการเวลาเราคุยเราคุยอะไรก็แล้วแต่เรามักจะลืมตัวแต่เราจะมีตัวเราเนี่ยจะเอา จะเอาให้ได้นะจะเอาให้ให้ได้ตามที่เราต้องการนะเราเคยยึดถืออะไรเราก็จะยึดไว้อย่างนั้นเพื่อให้เป็นไปตามที่ที่เราต้องการอย่างนั้นจริงๆแต่จริงๆการฝึกรู้สึกตัวการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ยึดถือสิ่งใดแต่สิ่งนั้นมีอยู่แต่ไม่ได้เป็นเป้าหมายว่าเราต้องยึดอย่างเช่นความถูกความผิดเนี่ยมันก็มีนะ ม, มีก็มีประสมมุติอ่ะเขสมมุติว่าอันเนี้ยถูก อันนี้ผิดเพราะสมมุติท่ามันมีขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะยึดความถูกหรือว่าเพื่อที่จะยึดความผิดเพียงแต่ว่ารู้จักได้นะว่าอันเนี้ยเออเขาเรียกว่ามันเป็นถูกเออมันเป็นผิดหรือมันเป็นถูกคือรู้ได้ได้จากการสมมุติแต่ปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเนี่ยไม่ได้ยึดถือสิ่งนั้นอ่ะรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีแต่ก็ไม่ได้ยึดเอเนี่ยตรงเนี้ย ออต้องฟังกันให้ดีๆนะหรือว่าอารมณ์นะหลวงพ่อพูดถึงอารมณ์ทางกายก่อนอาการที่เกิดขึ้นในกายเนี่ยนะมันจะมีความรู้สึกสบายบ้างใช่ไห อ, อไม่สบายบ้างแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันสบายหรือไม่สบายคือบอกไม่ถูกอะว่ามันมันเป็นยังไงแต่ก็มันก็มีอยู่นะอันเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้แต่การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อจะ เอาแต่สิ่งสบายแต่ไม่สบายอะ่ะไม่เอามันคือปลักไสอ่ะนะแต่จริงๆอ่ะก็คือรู้ตามที่มันกําลังปรากฏนั่นแหละเนี่ยถ้าฟังอย่างนี้ให้ให้เข้าใจก่อนเนี่ยการปฏิบัติอะไรหรอกเพราะว่ามันรู้อย่างซื่อตรงอย่างซื่อสบายกา ย, ยก็รู้เนี่ยตอนเนี้ยสบายเนี่ยไม่ปวดไม่เมื่อยเนี่ยอากาศก็พอดีพอเรียกว่าสบายนะ แต่ก็ไม่ได้ยึดถือความสบายนะความสบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รับรู้แค่นั้นเองนะแล้วก็ต่อมาความสบายเนาะมันก็เปลี่ยนไงเช่นมันมีความอากาศมันก็ร้อนขึ้นเนาะรู้สึกว่าร่างกายก็ร้อนหรือว่ามีความปวดความเมื่อยเพิ่มขึ้นนะมันก็เอออันนี้ก็เป็นการ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะไปเกลียดหรือว่าไปผักใสมันนะก็ให้รู้ตามที่มันปรากฏนั่นแหละเอออันนี้หลักของการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกนี่นะปฏิบัติเพื่อการปล่อยวางเนี่ยก็คือรับรู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันขณนะทีนี้พูดแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นแค่สมมติใช่ไหมเออเป็นคือยังไม่มีอาการจริงยังไม่มีอาการปรากฏ ถ้ามันปรากฏจริงๆก็แต่ตอนนี้ก็แค่ยกตัวอย่างอีกแลยเนาะมันไม่ปรากฏจริงๆแต่ว่าเอาเป็นว่าเวลาป่วยอ่ะนะเวลาป่วยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนปวดท้องเจ็บกระดูกปวดกระดูกอ่านะอย่างที่ทุกคนเนี่ยต่างคนก็อาจจะมีประสบการณ์นะประสบการณ์แล้วเวลามันเจ็บมันเป็นยังไงอ่ะมันก็เจ็บอะสิใช่ไหมเพราะมันเป็นที่กาลังปรากฏ ออแต่ทีนี้สิ่งพวกนั้นแหละมันปรากฏอย่าให้มันปรากฏแบบฟรีฟรีแบบแบบไม่ได้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นปรากฏขึ้นก็รับรู้ก็ฝึกเข้าไว้รู้เข้าไว้ว่าอ๋ออาการเนี้ยปรากฏแล้วเนเพราะมันนี้ไม่พ้นนะ่งเออเกิดมามันมีนมร่างตายเนอะร่างกายมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นขันไงเออเป็นสังขารสังขารเป็นทุกข์เนี่ย เพราะนั้นเมื่อมีร่างกายแล้วมันจะต้องประสบมันจะต้องประสบใครอ่ะที่ว่าไม่ประสบเลยไม่มีมีสิ่งใดก็มันก็ต้องประสบกับสิ่งนั้นแหละเพราะนั้นเนี่ยเราเรียนธรรมะให้เกิดปัญญาก็คือว่าเออเรียนรู้แต่พื้นแต่พือไปนะอะไรเกิดขึ้นบางคนเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีด้วยซ้ําที่ได้เจอกับความป่วยเนี่ยป่วยหนักๆเนี่ยโอ้เจออาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่มาแล้วอาจารย์ใหญ่มาแล้ว พวกนี้ถ้าจิตยอมรับเนี่ยมันก็ใจจิตใจมันก็ไม่ได้เป็นทุกข์เพราะว่ายอมรับแล้วยิ่งเห็นอาจารย์ใหญ่มาเนี่ยยิ่งแบบความรู้สึกว่าโอ้มีปิติมีความอิ่มเอิบใจนะความป่วยความไข้มาเยือนอิ่มเอิบใจนะหลวงพ่อคำเขียนสนุกกับความป่วยยอมดูสิเออเพะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเ น, นี่ยเปิดใจเนาะเปิดใจรับรู้รับทราบเพื่อเดินตาม ทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เดินท่านสอนให้รู้ทุกเพวัะนั้นเราด้วยแบบนี้แหละทีนี้ถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องนี้นะเข้าใจผิดยังทำไมเข้าใจผิดเออหลวงพ่อก็มันก็คงมีที่มาที่ไปอย่างเราเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ๆเพราะเราไม่รู้นี่นะเราไม่รู้เราไม่รู้อะไรเลยแต่พอ เข้ามาอยู่ในวงการกรรมฐานาเริ่มได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เริ่มรับรู้มากขึ้นเป็นข้อมูลในทางปาัญญาจนเข้าใจเลยว่าอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยตอนไม่รู้เนี่ยคือมันไม่อยากพบสิ่งพวกนี้เลยไม่อยากจะพบกับสิ่งที่มันมีความไม่สบายกายไม่อยากพบเลยแล้วก็พอมาพบเนี่ยไม่ต้องการไม่ต้องการให้มันหายเร็วๆให้ออกไปก็คือดิ้นรนขลักเลยใจก็เป็นทุกข์เสียเอง แต่พอได้ยินได้ฟังมากมากอ๋อท่านบอกให้รู้ทุกเออใจชื้นหน่อยอ๋อมันอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอคือรู้ทุกอ๋อทุกมีอยู่รู้อย่างนี้เหรอเอ อ, เ, อ, อเห็นไหมใจมันก็สดชื่นขึ้นมาที่จะรับรู้เนี่ยเพราะงั้นในเรื่องของความเห็นถูกเนี่ยอยู่ๆเนาะมันใหม่เกินไปบางทีมันก็ยังเห็นถูกไม่ได้ถึงบอกว่ามันต้องอาศัยออการฟังการอะไรเนี่ยสะสมปัญญานะ ถ้าปัญญายังไม่เพียงพอมันก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเมื่อมีปัญญามากไปตามลําดับเนี่ยปัญญามากขึ้นเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยความเข้าใจก็จะมีมากขึ้นแล้วก็จะยอมรับอะไรได้มากส่วนทางจิตใจมันก็เหมือนกันเนี่ยเนาะถ้าเราใหม่ๆเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีความรู้เราคิดเอาว่าจะต้องปฏิบัติเนี่ยให้จิตเนี่ยหมายความว่าในจิตในใจเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลย ให้นิ่งเหมือนกับน้ำนิ่งอ่ะเหมือนกับไม่มีลมพัดอ่ะเรียกที่บางคนก็บอกว่าทําใจให้นิ่งหรือทําจิตให้นิ่งนะก็หมายความว่าพยายามรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอาการอะไรในจิตในใจอันนั้นตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่พอต่อมาได้ยินได้ฟังบวกกับการปฏิบัติโอ้ไม่มีอะไรที่มันนิ่งถาวรหรอกมันนิ่งเดี๋ยวมันก็ไม่มันก็สับหลับอยู่อย่างนี้อ แล้วก็พอมีปัญญาสัตว์มากท่านก็บอกว่าเออมันนิ่งหรือไม่นิ่งก็ก็รู้มันนะเพราะความนิ่งหรือไม่นิ่งมันก็เป็นของสลับไปสลับมานะจริงๆอ่ะประสบการณ์ของแต่ละบุคคลแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอาการของใจอ่ะมันนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างมันก็เป็นอาการเนาะเออทีนี้ หรือหรือว่าเรื่องความโกรธบ้างความไม่พอใจบ้างเนี่ยคือมันปกติของขันหนะ้าเนาะมันมีตัดจะก็เกิดขึ้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปก็ดับไปนะแต่ด้วยความที่เราไม่เข้าใจเราก็จะเอาแต่ดีถูกใจท่าเดียวอ่ะอันนั้นอ่ะมันมันไม่ถูกมันเป็นความเข้าใจผิดเออจากนี้ไปเนี่ยก็เมื่อได้ยินได้ฟังมากแล้วเนี่ยเช่นบอกว่าเอออาการอะไรเกิดขึ้นในจิต ใ, ใจ อ, อ, อ่ะก็รับรู้รับทราบ นะรับรู้รับทราบถ้าเราไปพอใจเดี๋ยวมันก็เป็นกิเลสถ้าเราไม่พอใจเราขาดสมันก็เป็นกิเลสเออกิเลสทั้งขึ้นทั้งล่องนะเพราะฉะนั้นให้รู้ทันนะรู้ทันกิเลสมันชอบหรือว่าตัวที่มันไม่ชอบอ่ะรู้ทันเพราะกิเลสจริงๆมันก็คือสังขารเหมือนกันเออเดี๋ยวชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบใช่ไหมกลับไปกลับมาได้ แต่ถ้ามีสตินะอ่ามีสติอยู่ที่ใจนะใจก็รู้จิตก็รู้คือจิตเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมชาติรู้ใช่มเออเป็นธรรมชาติที่ที่รู้แต่ถ้าถ้าจิตไม่มีสติมันก็หลงไปนะไปเกลียดไปชังแล้วก็ยังไม่รู้ไปยึดไปถือก็ไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องฝึกอ่ให้ให้จิตหรือว่าใจเนี่ยมีสติประกอบด้วยอ่าเมื่อจิตหรือใจมีสติประกอบอะไรเกิดขึ้นในจิตในใจ มันก็ได้สักเปรรู้ไปเอ่อมันก็ได้สักเมื่อสักเปรรู้มันก็หลุดพ้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เข้าไปไปยึดไปถือไปเป็นนะเออที่เขาบอกว่าเนี่ยให้เป็นผู้ดูเป็นผู้ดูนริงจริงๆให้ใจเป็นผู้ดูนะให้จิตเป็นผู้ดูจริ ง, รงๆมันดูอยู่แล้วแหละเทียงแต่ว่าบางช่วงมันขาดสติมันก็เลยไม่ได้ดูตอนนั้นมันก็ต้องฝึกสติให้จิตให้ใจเนี่ยมีสติมีสติบ่อยๆ อ, อยู่เป็นประจำนะ เพราะนั้นจริงๆก็คือเนี่ยรู้กายรู้กายมันก็มีสติรู้อาการที่เกิดขึ้นในกายมันก็มีสติรู้อาการที่เกิดขึ้นในจิตมันก็มีสตินะเออทีเนี้ยใครจะถนัดดูตรงไหนก่อนก็ว่าไปตามนั้นก่อนแต่ของแนวของอหลวงพ่อเทียนนะ่ะที่ท่านสอนนะท่านสอนให้มีสติรู้กายก่อนนะเพราะว่ากายเป็นอายากรู้ได้ง่ายนะ จะเดินจะนั่งจะนอนจะโคจะเหยียดเนี่ยมันก็เออมันมันยากก็รู้ได้นะเพราะนั้นมีสติก็จริงๆอะที่รู้อะก็คือจิตกับใจนั่นแหละเออจิตหรือใจนี่แหละเป็นผู้รู้กายกายมันไม่รู้อะไรเนาะทีนี้ถ้าจิตหรือใจเนี่ยมันมีสติเวลากายเคลื่อนเหยียดกายเดินกายนั่งกายนอนมันก็ระลึกรู้คือรู้ขึ้นมาเพราะนั้นที่เราฝึกรู้กาย แล้วฝึกเรื่องกายเดินกายนั่งนะแต่เราฝึกให้ให้มีจิตรู้ให้มีตัวรู้อ่เอาเดี๋นี้เกี่ยวข้องกับเรื่องจิตแล้วนะเนี่ยเอากายมาเป็นเครื่องมือเอากายมาเป็นอุปกรณ์ก็เลยจิตก็รับรู้ขึ้นมาเห็นไหมกายกับจิตก็คนละตัวดีเนี่ยเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างกายก็เป็นกาย จ, กจิตก็เป็นจิตก็เป็นจิตเออมันคนละตัวกัน อันนี้เรียกว่ามีปัญญาแยกแยะเป็นได้แยกแยะแยกแยะได้ที น, นี้เมื่อรู้กายแล้วแล้วมีสติรู้กายแล้วแล้วก็รู้จักทั้งสติรู้รู้จักทั้งกายแล้วต่อมาจริงๆมันไม่ต่อมาหรอกขนาดที่รู้กายนะจริงๆในในจิตในใจมันก็มีความรู้สึกมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเรายังไม่พูดถึงเรื่องนั้นแต่ถ้าพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เราจะรู้เลยว่าเอาระหว่างเดินมันก็คิดนี่นก็จะรู้รู้จักจิตคิด พอรู้จักจิตคิดอแล้วก็อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตนะเช่นส ง, งบบ้างไม่ส ง, งบบ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตแต่จิตมีสติก็เลยระลึกรู้ได้ว่าอ๋อสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นแปรปรวนแล้วรู้ได้อันนี้ก็เลยรู้จักจิตแล้วก็รู้จักอารมณ์สิ่งต่างๆที่เกิดอยู่ในจิตอาจจะเป็นธรรมมารมณ์อะไรต่างๆเนาะอะไรมารู้ล่ะก็จิตที่มีสตินั่นแหละ ทีนี้พอเรามาแยกเป็นอย่างเนี้ยเราจะว้าความคิดก็ดีอาการที่เกิดขึ้นในจิตนะ่ะนั่นที่เกิดขึ้นในจิตอนะ่ะมันไม่ใช่จิตมันเป็นอาการของจิตเอออย่าถ้าถ้าเราแยกไม่ออกนะเราคึกว่าจิตเนี่ยอาการนั้นนะ่ะคิดว่าจิตเนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นที่เรียกว่าอาการเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวรู้ ตัวรู้อาการเออแยกกันได้ออกนะเวลามันอะไรเกิดขึ้นนะ่ะอันนั้นอนะ่ะที่เป็นสุขบ้างทุกบ้างอ่ะในจิตในใจอ่ะนะอันนั้นอนะ่ะมันเป็นเป็นเวทนาหรือเป็นอาการก็ได้เรียกคำว่าอาการก็ได้ไม่ใช่จิตแต่จิตเนี่ยคือธรรมชาติเนี่ยที่รู้ที่รับรู้รับรู้รับรู้เห็นไหมสภาพธรรมะแต่ละอย่างกันจิตเนี้เวลาเราฝึกเราเข้าเราเข้าใจไม่ได้เราแยกไม่เป็นก็เลยโมว่ า, วา อาการนั้นเป็นจิตโอก็เล็กไม่รู้ว่าอะไรคือจิตอะไรคืออาการทีนี้เรามายโยว่านะสวนว่าอะไรกายก็คือจิตไปรู้กายแล้วเวลาอะไรเกิดขึ้นในจิตอาการก็คือจิตอีกนั่นแหละเพราะนั้นจิตเนี่ยไอยธรรมชาติของจิตเนี่ยก็คือรู้นะจิตเนี่ยไม่ได้เป็นกายจิตเนี่ยไม่ได้เป็นเวทนา จิตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นความคิดไม่ได้เป็นอาการไม่ได้เป็นธรรมารมณ์เ อ, อจิตก็คือจิตเ อ, อมีพูดใ ห, ให้เห็นภาพก่อนนะทีนี้ถ้าลองมาเทียบกันว่าเนี่ยจิตจิตเนี่ยจริงจอ่ะมันเป็นทุกข์ได้ไหมอ่ะเป็นทุกข์คือมีความไม่สบายมีความสบายได้ไหมจิตอ่ะไม่ได้เพราะความสบายหรือความไม่สบายเนี่ยมันเป็นอาการมันไม่ใช่จิตแต่จิตก็ได้แต่รู้อาการ อืมนะะแล้วทีนี้เกิดความโลเอาขึ้นมามันเป็นมันเป็นจิตไหมก็ไม่ใช่จิตมันก็เป็นอาการอีกคือจิตไปรับรู้ว่าขณะปัจจุบันนั้นน่ะมันโล่งมันโล่งมันโปร่งมันเบาสบายนะไอันนี้ก็ไม่ใช่จิตอ่าจิตในที่นี้หลวงพ่อหมายถึงว่าที่ที่รู้นะที่มีสภาพรู้เออแล้วก็ไปเห็น อาการของกายอาการของเวทนาอาการของจิตในจิตแล้วก็ธรรมารมทั้งหลายเนี่ยก็ไปรู้พอรู้มาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยไอจิตเนี่ยจริงๆไงคาว่าจิตแนะมันก็เป็นภาษาสมมุติเนาะแต่มันมีคุณสมบัติรู้ทีนี้เรามาลอเทียบกันว่าถ้าการรู้ของจิตเนี่ยที่มันรับรู้ที่เกิดจากอายตนะภายนอกอายตนะภายในกระทบกันเนี่ย อันเนี้ยมันก็รับรู้เหมือนกันแต่เขาเรียกว่าวิญญาณขันอ่าเป็นจิตจิตวิญญาณขันคือวิญญาณทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไอ้จิตเนี้ยมันเกิดดับได้ไอ้จิตวิญญาณนะ่ะมันเกิดดับเพราะมันพอพรษาทีมันก็ดับทีหนึ่งใช่ไหมพอพรรษาทีมันก็ดับทีหนึ่งภัรษาทียิบเลยมันก็ดับทียิบอ่าเกิดดับเกิดดับอยู่เนี้ยอันเนี้ยวิญญาณเกิดดับ ทีเนี้ยมันมีอีกอันหนึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าจะเรียกว่าจิตถ้าจะเรียกว่าจิตอีกเดี๋ยวมันก็ซ้ำกับจิตวิญญาณขันนะเขาก็เริ่มแยกเพื่อให้เกิดความเข้าใจนิดหนึ่งเลยบางคนก็เรียกว่าจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้คือจิตที่ไม่เกิดเป็นจิตที่ไม่ดับเป็นจิตที่ไม่ปรากฏแต่มันก็มีอยู่นะบางทีก็เรียกว่าธาตุรู้ก็ได้เนี่ยการสมมติชื่ออย่างเนี้ยเพื่อ จะได้แยก แ, แยะว่าอ๋อเป็นสาภาพธรรมะคนแต่ละอย่างนะตกลงนะตกลงว่าก็คือจิตที่เป็นวิญญาณขันเนี่ยมันเกิดจากการกระทบของอายตนะแล้วก็เกิดดับไอจิตที่ที่หลวงพ่อเรียกเมื่อกี้เนะี่ยที่ว่าอาจจะจิตเดิมแท้เป็นจิตจิตแท้แท้จิตดั้งเดิมอะนะจิตเนี้ยมันไม่ต้องอาศัยอายตนะหรอกแต่มันมีอยู่แล้วเพราะมันมีอยู่ตามธรรมชาติ มันมาผสมกับดินน้ําไฟลมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นธาตุเนี่ยมาผสมพอมาผสมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นธาตุอยู่นั่นแหละก็คือยังเป็นเป็นจิตเดิมแท้นั่นแหละแต่ว่าตอนที่มาผสมเนี่ยมันมีอวิชชาอยู่มันปนอวิชชามาปนอยู่มันก็หลงยึดนะพอมันมามาผสมกับดินน้ําไฟลมแล้วแล้วมาเป็นขันหน้าเนี่ยเนื่องจากว่า ไอจิตเดิมแท้เนี่ยมันมีเอาวิชาผสมมาพอผสมมาเสร็จแล้วพอในขันห้ามันมีกายใช่ไหมมันก็ไปยึดกายพอมีเวทานามันก็ไปยึดเวทนาพอมีสัญญามันก็ไปยึดสัญญาพอมีสังขารมันก็ไปยึดสังขารพอมีวิญญาณวิญญาณในขันห้านี่นะมันก็ยึดวิญญาณเป็นตัวเป็นตนหมดเลยนะเนี่ยทีเนี้ยแต่ทีนี้ว่าถ้าอบรมจิตเนี่ยให้มันมีปัญญาเจียมแจ้งเนี่ยนะมันก็จะรู้เลยว่า ไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยสมม um, ุต well ิว่ามันไม่ม sure ีม <si ันไม่มีอวิชชาแล้วเนี่ยมันได้แต่รู้แจ้งรู้แจ้งคือมันไม่ได้ยึดถือรูปมันไม่ได้ยึดถือสัญญามันไม่ได้ยึดถือสังขารมันไม่ได้ยึดถือวิญญาณขันเนี่ยไม่ได้ยึดถือเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ไปธนาสัญญาสังขารวิญญาณดับเนี่ยมันก็ดับไปก็ดินสู่ดินคือมันกระจัดกระจายกระจุยไปหมดเลยใช่ไหมเวลาแตกดับเนี่ยแต่ธาตุรู้เนี่ยที่เรียกว่าจิตเดิมแท้เนี่ย มันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติมันก็อยู่ในความว่างะทุกคนทุกแห่งนั่นแหละที่ไหนมีความว่างอะไอจิตไอจิตเดิมแท้เนี่ยหรือว่าธาตุรู้เนี่ยมันก็มีอยู่ทั่วแต่มองไม่เห็นแต่ไม่ปรากฏมันไม่ได้หายไปไหนแต่สิ่งที่มันละเอียดมากๆก็คือมันไม่ปรากฏนะมันไม่ปรากฏรูปร่างรูปพันสันฐานไม่ปรากฏอาการใดๆจึงได้จึงเป็นธาตุรู้เป็นธาตุอมตะอมตะธาตุอะ งั้นถ้าเราจะแยกแยะระหว่างวิญญาณขันกับจิตเดิมแท้เนี่ยมันก็ต่างกันตรงนี้แหละวิญญาณขันเนี่ยเกิดดับเกิดจากผัสสะเนาะกระทบการยานะภายนอกภายในกระทบกันแล้วก็ผัสสะแล้วก็เกิดวิญญาณขันขึ้นมาอันเนี้เกิดดับแต่มันเป็นขันขันหนึ่งในขันห้าแต่จิตเดิมแท้เนี่ยซึ่งเป็นธาตุรู้เนี่ยอเป็นจิตดั้งเดิมเป็นจิตเดิมแท้เนี่ยเป็นจิตที่ไม่เกิดเมื่อมันไม่เกิดมันก็ไม่ดับ แล้วมันไม่ต้องอาศัยอายตนะหมายความว่าจะมีหูมีตาจมูกอะไรหรือไม่ก็ตามเพราะอันนี้มันเป็นขันห้าใช่ไหมแต่มันมันไม่ใช่ขันห้ามันเป็นธาตุ เ, เมื่อหูตาจมูกลิ้นกายใจแตกดับพวกนั้นหมดอัเ น, นี้ยมันก็คืนธรรมชาติเดิมคืนธรรมชาติอะคืนธรรมชาติคือมันไม่ต้องมาอาศัยพวกนี้เป็นที่มันก็พูดยากกันนะเอาเป็นว่าเมื่อแตกไอ ไอ้กายไอ้รูปภิทานาจัญญาสังขารวิญญาณดับหมดแล้วมันก็ดับแล้วดับเลยคือจริงๆมันก็แตกอ่ะกายมันก็คือเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมเออมันก็กระจายไปทั่วเหมือนกันแต่มันไม่มีความรู้อ่าแล้วก็วิญญาณมันก็เนี่ยก็เป็นขันนัเป็นขันันหนึ่งในขันนะมันก็ดับดับแล้วดับเลยเหมือนกับดับไฟอะดับไฟปุ๊บดับเลยไม่ต้องถามว่ามันไปไหนเออใช่ไหมส่วนไอ้ธาตุรู้เนี่ยที่มันเป็นธาตุเนี่ย มันก็เป็นส่วนที่เหลืออถจะพูดให้เข้าใจเนาะก็คือเป็นส่วนที่เหลือไม่ต้องดับเพราะมันไม่เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วมันก็เป็นธาตุตามธรรมชาติที่ตื่นเป็นเนื้อเดียวกันกับความว่างความว่างคืออากาศเออก็คือเนี่ยก็อยู่ในเนี่ยเป็นธรรมชาติแต่มองไม่เห็นฮนะ เ, ออเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อพูดมาทั้งหมดนะนี่ตรงนี้แหละมันเข้าหลักอริธรรมเลยก็คือรูปก็ไม่มีไม่ใช่ตัวตนนะรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ เวทนาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์สัญญาก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์สังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์รวมถึงธาตุรู้ก็ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่เขาเรียกว่าอภิธรรมคืออภิธรรมเนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องบุคคลเลยนะถ้าใครว่ามีบุคคลในปรมัตนะนั่นผิดเอปรมัตก็คือนี่แหละที่เป็นธาตุต่างๆเนี่นะเออไม่มีบุคคลเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอะไรมีแต่ธาตุตามธรรมชาติ แต่ด้วยเอาวิชาไงจึงเอาวิชาที่มันครอบครอบครอบมันผสมกับธาตุรู้เนี่ยที่มามาผสมกันเนี่ยนะมันก็เลยยึดตะพื้นตะเพือ่อยึดหมดแล้วคนที่ไม่ศึกษาธรรมะไม่เรียนธรรมะเนี่ยนะไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยเกิดมาเนี่ยเหมือนกับไม่เคยอรู้เรื่องธรรมะเลยอะ่ะพวกนี้แหละจะเข้าระบบวัตฏะสงสารนะ วัฏฏะสงสารคือเวียนเกิดเวียนตายด้วยความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไม่จบไม่สิ้นก็เรียกว่านับภพชาติไม่ท่วน่ะเออเรื่องความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมล่ะมันก็เป็นทุกข์ก็แสดงว่าวัฏฏะของมันก็คือวัฏฏะของทุกข์นั่นแหละเวียนเกิดเวียนตายนะเวิยนเกิดเวียนตายเนี่ยเพราะว่าเนี่ยที่เราเกิดมาในชาติเนี้ยเนี่ยมาถึงชาติเนี้ยนี่เวียนเกิดเวียนตายมาไม่รู้เท่าไหร่แล้ว แต่ว่าเนี่ยถ้าได้ปฏิบัติทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะอะ่เดินตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดแล้วก็ปฏิบัติด้วยสติปัฏฐานสี่จริงจริงสติมันก็อยู่ในอริยมรรคกันแหละแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวภาคปฏิบัติน่แล้วก็เมื่อมีสติมันก็มีสมาธิแล้วก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญาอ่าเป็นไตรสิกขาเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่ามรรค อ, อปฏิบัติแล้วถ้ามีปัญญามากนะปฏิบัติจนกระทั่งมีปัญญามากแจมแจ้งในชาติเนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาก่อนดับขันนะ่ะตายก่อนตายนะตายก่อนตายก็คือว่าความเป็นตัวกูเนี่ยมันตายไปแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตายก่อนตายคือขันห้ายังไม่ดับยังไม่แตกสลายทั้งหมดแต่ว่าความเป็นตัวกูเนี่ยตายไปแล้วดับไปแล้วตัวกูไม่มีอ อย่างเนี้ยจะ ก, ก็เรียกว่านิพานเท่าถึงนิพานก็ไม่มีใครทุกข์แล้วไม่มีใครสุขก็เป็นนิพานก่อนก่อนขันหน้าดับแล้วพอขันหน้าดับมันก็เป็นนิานอีกทีหนึ่งอันนี้ตามตำราเขาว่านะเป็นสัพพะทิเสนิพานกับอะไรนะมันมีอยันหนึง่งอนุสอะไรเนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามีปัญญาแจ่มแจ้งว่าไม่มีเรานะไม่มีเรามีแต่สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ แล้วก็สภาพธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งแต่ว่าไม่มีเราเมื่อไม่มีเราความยึดถือจะไปยึดถื อ, อสังขารที่เป็นปรุงแต่งก็ไม่ได้จะไปยึดถือวิสังขารที่เป็นนิพพานหรือเป็นอะไรก็ไม่ได้จึงมีแต่ธรรมชาติล้วนคือธรรมชาติที่ปรุงแต่งกับธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งนนเนี่ยบางเนี่ยมันก็ถึงนิพพานเดี๋ยวนี้ตอนนี้อแล้วก็ไม่มีใครตายแล้วจากนี้ไปไม่มีใครตายไม่มีคนตายมีแต่สังขารขันห้า ที่มันก็ต้องแตกหลากหลายตามกฎของไตรลักษณ์อ่านี่หลวงพ่อเขพูดมาเป็นแผนที่เพื่อให้เห็นภาพเนาะแต่ยังไงก็ตามที่สําคัญที่สุดคือเดี๋ยวนี้ตรงนี้ต้องรู้ให้ถูกตัวคือรู้มาที่ตัวเรารู้มาที่ตัวเราเมื่อกี้ถ้าลืมตัวเขาเรียกว่ามันลืมแต่ถ้าละลึกนึกได้นี่ต้องรู้ตัวว่าตัวไม่ใช่ตัวตัวนี่คือสิ่งถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้ตัวอันนั้นะเป็นธรรมชาติที่พ้นไปจากตัวเออ ถ้ารู้ตัวเมื่อไหร่มันก็ความหลงผิดก็ไม่ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้นะความหลงผิดที่จะให้เป็นตัวกูเป็นของกูก็จะไม่เกิดเพราะว่ามันรู้จักตัวไปแล้วว่าตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นรู้ตัวเนี่ยเป็นต้นทางนะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะต้องมีที่จะต้องมีเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถ้าไม่รู้ตัวเลยนะ เท่ากับว่ายังไม่ได้เริ่มต้นอะไรเลยหรือว่าท่านยังรู้ตัวไม่เป็นเอาตัวไปรู้อันนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยเช่นเอาตัวไปเรียนเอาตัวไปฟังเอาตัวไปเข้าสํานักปฏิบัติธรรมเอาตัวไปฟังธรรมะตามสถานที่ต่างๆแต่ไม่รู้ตัวว่าไอ้ตัวที่ไปที่ไปอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราและก็ไอ้ตัวที่อยู่นะไม่ใช่ตัวเรา ไอ้ตัวที่ไปที่มาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหมดเนี่ยให้แจมแจ้งอยู่อย่างนี้แล้วก็ที่ว่าไม่ใช่ตัวเราก็เพราะอะไรก็เพราะปัญญาตามที่หลวงพ่อได้ทำเป็นแผนที่ให้ให้เดินให้รู้จักนะเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ถ่ายทอดมาทั้งเป็นประสบการณ์ทั้งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนมานะแล้วก็เอามาเล่ามาบอกอทีนี้ถึงคิวที่พวกเราจะมาคุยแล้ว ก็คุยในประเด็นเรื่องนี้แหละใครออกนอกตัวเดี๋ยวลงพ่อจะกัะตุกให้นะ